ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสากรังเอวเมวปิโตทินังเปตานังอุปกาปติิจิตตังปติตังตุมหังคิปเมวะสมิชาตุสัพเพปุเรนตุสังกะปาจันโทปนารสุยะามนิโชติระโสยยาธา ซาปิติโยวิวัตตุสะพารโอโควินาสตุมมาเตปภาวะวันตาไรโยสุคี อายุกภาวะพิววันธนศิลิสานิจางวันธาปัาญายานเจตารรธรรมวันทันตีอายุอันนอสุขังภาลา โกธาณาวัฏทกสิริวัฏทโกยาสาวัฏกพลาวัฏทโก ว, วันณวัฏทโกสุขวัฏทโกโหตุสาปัฏทุกขาโรคาภพย เวราโสกาสตุจุปัตถวาอเนกาอันตรายาปิวินัสสันตุจเตสสาเสยาเสติทานางโสทิภาขยังสุขังพาลังสิริอายุจาวัฏ โนจ่าโพคางวันทีใจยศวาสตวัดสาจายูจ่าเชียวเสติภาวันตุเตปภาวตุสาฆาลงราคันตุสาภาเทววตาสาาปบท นุภาเวนัสธาสถธิภาวันตุเตภวัตุสะพามังคาลังราคันตุสาวาตาสาภาธรรมานุภาเวนัสธาสถทิภาวัน ภาวตุสะพาหมังฆาลางราคันตุสะเวะตาสะภาสังคานุภาเวนะสะทาโสติภาวันตุเต